วันนี้เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธสาสนิกชนมาเปลี่ยนที่พึ่งมาสร้างที่พึ่งอันใหม่เพราะที่พึ่งที่เราอาศัยกันอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อไปจะต้องมีวันสิ้นสุดลงคือ ร่างกายของเราต่อไปก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราก็จะไม่สามารถอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราได้ตอนนี้เรามีร่างกายเราเลยสามารถหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายกันได้แต่ต่อไป ร่างกายของเราจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆเมื่อเสื่อมลงความสามารถในการที่จะหาความสุขให้กับเราก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้อีกต่อไปแต่เรามีพระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบ วิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเรารู้จักหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายได้ต่อไปเวลาร่างกายเราเป็นปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายได้ ตอนนี้เรายังหาความสุขแบบนี้ไม่เป็นเหมือนคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นถ้าอยู่ในเรือก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนั่งเรือถ้าเรือร่มถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็จะต้องจมน้ำตายได้ร่างกายของเราก็เป็นเรือที่เราอาศัยอยู่ พาเราท่องเที่ยวในทะเลไปหาดาบยศสรรเสริญหาความสุขจากสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายจะเสื่อมลงตาจะมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นหูจะฟังไม่ค่อยได้ยินทุกอย่างที่ อยู่กับร่างกายนี่มันจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วความสามารถในการจะหาความสุขก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเราจึงควรมาฝึกวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าเพราะว่าต่อไปเราจะได้ไม่เดือดร้อนเราจะได้ หาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายกันเวลาร่างกายแก่เราก็ยังมีความสุขได้เหมือนตอนที่ร่างกายไม่แก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังสามารถมีความสุขได้เวลาที่ร่างกายตายเราก็จะมีความสุขเราจะไม่ตายแบบทุกข์แต่อย่างได้เพราะว่า ความทุกข์นั้นเกิดจากความเสียดายร่างกายแต่ถ้าเราสามารถหาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราจะไม่มีความทุกข์กับความตายปล่อยให้ร่างกายตายได้อย่างสบายนี่แหละคือเหตุผลที่เรามีวันพระกันให้เรามาฝึก <c oughs> หาความสุขทางธรรม ไม่ให้หาความสุขทางร่างกายให้มาหาความสุขทางธรรมทางใจ <c oughs> ใจของเรานี่แหละสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายแต่การที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขได้เราต้องมีธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีปฏิบัติ ที่จะทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาเราต้องอาศัยธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีธรรมะคำสั่งคำสอนเราจะไม่รู้วิธีสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนะเราจึงต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้รู้วิธีสร้างความสุขทางใจ ว่าสร้างอย่างไร <c oughs> พอเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปสร้างกันเหมือนกับการจะทำอะไรสักอย่างเช่น ท, ทากับข้าวก่อนที่เราจะทํากับข้าวเป็นเราก็ต้องเรียนรู้วิธีทํากับข้าวก่อนถ้าไม่รู้จักวิธีทํากับข้าวก็จะทําไม่เป็นทําไม่ได้จะหุงข้าวไม่เป็นจะทํากับข้าว ทำอาหารชนิดต่างๆไม่เป็นแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีหุงข้าววิธีทํากับข้าวทำอาหารชนิดต่างๆแล้วเราเอาไปหัดทดําดูต่อไปเราก็จะทําได้พอทําได้แล้วทีนี้เราก็สบายอยากจะรับประทานอาหารเมื่อไหร่เราก็สามารถทําอาหารรับประทานเองได้ นี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนให้เราสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายสร้างความสุขที่เราใช้ใจเป็นผู้สร้างใจนี้สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยร่างกายถ้าเราอาศัยร่างกาย เราก็ยังต้องศึกษาเหมือนกันเช่นตอนเด็กๆเราก็ต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อที่จะได้รู้จากวิธีทรมาหากินหารายได้หาความรู้พอเราจบปริญญาได้เป็นหมอได้เป็นอะไรเราก็จะมีอาชีพเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนนี้ ไปทรมาหากินผ่านทางร่างกายได้การหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ต้องมีการศึกษาเหมือนกับการหาความสุขทางใจถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือก็จะไม่มีวิชาความรู้ก็จะไม่สามารถหาความสุขได้มากเหมือนกับคนที่ ได้เรียนจบปริญญากรณที่จบป .6 ความรู้น้อยจะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้น้อยเพราะจะทางานในระดับที่มีรายได้น้อยนั่นเองแต่คนที่จบปริญญาระดับต่างๆจะสามารถหาหางานทำที่มีรายได้สูงได้ อันนี้ก็เหมือนกันทางธรรมกับทางโลกก็เป็นแบบเดียวกันต้องมีการศึกษาวิธีหาความสุขวิธีหาความสุขทางโลกก็เรียนหนังสือไปจนจบปริญญาแล้วก็ไปทำงานทำการแต่วิธีทางโลกนี้มันไม่ดีตรงที่ว่ามันมีวันจบมันมีวันเสื่อมเพราะร่างกายจะต้องแก่ จะต้องเจ็บจะต้องตายไปแต่วิธีทางธรรมนี่ดีกว่าวิธีทางใจนี่ดีกว่าเพราะใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจนี้จะสามารถผลิตความสุขให้กับใจได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ยังสามารถผลิตความสุขให้กับใจต่อไปได้ และจะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายสาเหตุที่พวกเราไยังมาเกิดกันก็เพราะว่าเรายัางไม่สามารถหาความสุขทางใจได้เรายัางต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายกันพอร่างกายเก่าตายไปร่างกายในชาติก่อนตายไปเราก็มาหาร่างกายอันใหม่ แล้วเราก็ได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันนี้แล้วเราก็มาหาความสุขผ่านทางร่างกายอันนี้กันแต่ต่อไปร่างกายอันนี้ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วจะต้องตายถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพ อ, อร่างกายนี้ตายไป เราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่แล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอันใหม่ได้สุขมากบ้างสุขน้อยบ้างขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำไว้ด้วยถ้าเราทำบุญไว้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะมีความสามารถในการ หาเงินหาทองได้มากกว่าถ้าทำบาปไว้มากเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะหาเงินทองได้ยากกว่าอันนี้เป็นส่วนของบุญของกรรมแต่ส่วนของการมาเกิดอยู่เรื่อยนี้เกิดจากการที่เราไม่สามารถหาความสุขภายในใจได้ ที่เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขในใจหาความสุขทางใจไม่เป็นกันเราเลยต้องอาศัยร่างกายเป็นการหาความสุขกันเราจึงต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเพราะการเกิดนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่าเราต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ เพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่สู้ยังไงเลี้ยงดูร่างกายดีอย่างไรในบ้านปลายก็จะต้องไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกายมันก็เป็นความสุขที่แบบหมดไปอย่างรวดเร็วได้ความสุขมาเดียวเดียวหมดไปละหมดก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ ปล่อยให้เราเศร้าปล่อยให้เราทุกข์เราก็ต้องดิ้นหาความสุขใหม่พอหาได้ใหม่ก็ดีใจมีความสุขไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไปพอหายไปหมดไปก็ต้องหาใหม่เนีย่ยนี่คือปัญหาของการที่เราอาศัยร่างกายอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา เพราะร่างกายก็ดีสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดีเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนิจจังไม่แน่นอนไม่ถาวรได้ามาปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเช่นไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานกันพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดความสุข ความสนุกสนานที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดทําให้เราต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านไม่มีความสุขนี่คือปัญหาของการหาความสุขผ่านทางร่างกายมีความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็ปัญหาของร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เพราะร่างกายแก่เจ็บตายก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปมียาวมีความทุกข์นานเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ไหวนี่แหละคือปัญหาของการที่เราอาศัยร่างกายอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราลาบยศจะรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย เป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีเกิดก็บางทีก็ดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงเวลามาก็ดีใจเวลาไปก็เสียใจเวลาขึ้นก็ดีใจเวลาลงก็เสียใจเวลาเกิดก็ดีใจเวลาตายก็เสียใจนี่คือ ความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ความสุขทางร่างกายเป็นอย่างนี้แต่ความสุขทางธรรมความสุขทางใจนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ความสุขทางใจถ้าเราสร้างขึ้นมาได้แล้วเราจะสามารถรักษาได้รักษาให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไปตลอดแล้วทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งความสุขทางร่างกายความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆนี่เราจึงต้องมาวัดกันเพื่อมาศึกษาวิธีสร้างความสุขทางใจกันวิธีจะสร้างความสุขทางใจเราต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายวิธีที่จะทําให้เราสามารถยุติการหาความสุขทางร่างกายได้ก็คือการถือศีลแปดนั่นเองะ เราต้องมาเริ่มที่ศีลแปดมาเบรกการหาความสุขทางร่างกายเช่นศีลข้อที่สามถ้าเราถือศีลห้าเรายังสามารถหาความสุขทางร่างกายได้เช่นเราสามารถหาความสุขจากคู่ครองของเราได้หาความสุขจากสามีจากภรรยาได้แต่ถ้ามาถือศีลแปด เราต้องหยุดการหาความสุขแบบนี้เราต้องเปลี่ยนศีลข้อสามาเป็นอรัมมจจารียาแปลว่าละเว้นจากการร่วมหลับนอนกันไม่ไม่นอนกับสามีไม่นอนกับภรรยาของตนไม่ต้องการทำกิจกรรมอย่างนี้เพราะเราต้องการเอาเวลาที่เราใช้กับการทำกิจกรรมอันนี้มาสร้างความสุขทางใจ ถ้าเราไม่หยุดกิจกรรมเราจะไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจกันนั่นเองเราจึงต้องมาหัดถือศีลแปดกันในวันพระอวันนี้เป็นวันพระลองถือศีลแปดดูไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้มีเวลายาวปฏิบัติสร้างความสุขทางใจได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติเวลาสร้างความสุขทางใจไปจนถึงเวลาเข้านอนเลยตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงสี่ทุ่มสิบชั่วโมงถ้าเราถือสีหน้าเดี๋ยวเราก็ยังต้องมายึกยักมารอ ก, กินอาหารเย็นกินอาหารบ่ายกินของว่างกินนูน่นกินนี่อยู่นั่น เราก็จะไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจพอจะกินอาหารเย็นเสร็จก็ง่วงนอนนะยังไม่ง่วงนอนก็อยากจะดูละครดูหนังก่อนดูข่าวดูอะไรก่อนพอถึงเวลาก็จะเข้านอนจะไม่มีเวลาแบ่งไว้ให้กับการมาสร้างความสุขทางใจเราจึงต้องละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ละเว้นการหาความสุขอยากมหอรสพและบันเทิงต่างๆละเว้นจากการหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมเสริมสวยความงามทางร่างกายพอเวลาที่เราจะออกไปเที่ยวเราก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมทำอะไรกันเราก็จะไม่มีเวลามา ปฏิบัติมาสร้างความสุขทางใจนั่นเองแล้วเวลานอนก็ไม่ควรนอนมากเกินไปนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะทำให้เรานอนสี่ห้าชั่วโมงก็คืออย่านอนบนฟูกหนาะๆนะที่มันสบายเพราะถ้ามันสบายมันจะนอนเกินสี่ห้าชั่วโมงถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันนอนสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตืน่นจะลุกขึ้นมา นี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราหาความสุขในรูปแบบใหม่ก่อนที่เราจะหาความสุขในรูปแบบใหม่ได้เราต้องยุติการหาความสุขในรูปแบบเก่าก่อนเหมือนกับถ้าเรามีน้ำชาอยู่ในถ้วยถ้าเราต้องการชงชาถ้วยใหม่แก้วใหม่ ไห้ร้อนชาร้อนล้นชาเก่ามันเย็นถ้ายังอยู่ในถ้วยอยู่เราก็ต้องเททิ้งไปถ้าเราไม่เททิ้งไปก็จะไม่มีที่ใสาชาอันใหม่ถ้าใสาเข้าไปมันก็จะปนกันเย็นกับร้อนปนกันมันก็จะมันก็จะไม่ร้อนมันก็จะไม่อร่อยไม่น่ารับประทานอย่างนั้น การที่เราจะหาความสุขแบบใหม่เราต้องหยุดการหาความสุขแบบเก่าตอนเริ่มต้นนี้เราเพียงแต่มาําเพียงแค่อาธิตย์ละวันก่อนเพราะว่าเวลาเริ่มต้นเรามีกำลังน้อยกำลังที่จะสู้กับความอยากที่จะหาความสุขแบบเก่านี้เรามีน้อยพอจะสู้กันได้สักวันหนึ่ง พอจะถือศีลแปดกันได้สักวันหนึ่งถ้าให้ทำทุกวันคงจะไม่ไหว เ, เพราะว่ามันเป็นนิสัยที่ติดมากับเราดั่งเดิมอยู่ดีๆจะพลิกให้เป็นอีกอย่างนึงยากเหมือนเราเคยใช้มือขวามาตลอดตั้งแต่เกิดอยู่ดีๆก็บอกต่อไปนี้จะเลิกใช้มือขวาแล้วจะมาใช้มือซ้ายพูดได้แต่ทำไม่ได้ เ, เพราะความถนัดมัน ไม่ถนัดมือซ้ายมันถนัดมือขวาตอนนี้พวกเราก็ถนัดหาความสุขผ่านทางร่างกายกันถนัดหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายถนัดการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญกันอยู่ดีๆจะบอกให้เลิกแล้วมาหาความสุขทางใจให้มาอยู่วัดมาบวชเลยเนีย่คงจะเป็นไปไม่ได้ บวชก็ได้ไม่กี่วันก็ต้องลาสิกขาสมัยนี้บางทีบวชเช้าศึกเย็นเงินเห็นไหมอยากจะบวชให้พ่อแม่ที่ตายไปคิดว่าบวชแล้วจะได้บุญเยอะให้ส่งบุญให้พ่อแม่เยอะก็เลยบวชเช้าแต่ศึกเย็นเพราะว่ากลัวอดข้าวไม่ใช่ะลรศึกเย็นอ๋อศึกนี้บ้าก็ยังกินข้าวเย็นต่อได้เนงั้นมันใช่ไม่ใช่เป็นของง่าย การที่เราจะมาหัดสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ถ้าเราไม่มีความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความตั้งใจที่แน่วแน่การจะมาทางธรรมได้นี้เราต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจสัจจะอธิษฐานความตั้งใจที่แน่วแน่สัจจพภาวะความจริงใจ อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่มีการตั้งเป้าหมายอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะรักษาศีลแปดก็รับรองได้ไม่มีวันที่จะรักษาได้ต้องตั้งจริงๆแต่ก่อนจะตั้งนี่ก็ต้องคิดหลายตลบก่อนคิดว่าว่างหรือเปล่ามีงานเลี้ยงที่ไหนหรือเปล่ามีเพื่อนนัดมีเพื่อนชวนไปไหนหรือเปล่า วากว่าจะเคลียร์วันได้นี่ไม่ใช่ของง่ายอพอว่างแล้วถึงจะเรามาตั้งใจวันนี้จะมารักษาศีลแปดตั้งใจแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็อาจจะล้มได้พอถึงเวลาจะรักษาออแม้วันนี้เดี๋ยวยังไม่มียังไม่อยากทำํำไม่มีอารมณ์ที่จะรักษาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ แต่ถ้ามีสัจจะกำกับไว้จะเปลี่ยนไม่ได้คำว่าสัจจะก็คือตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงจริงใจพูดความจริงคิดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นตั้งใจจะทำตั้งใจจะรักษาสิ่งแปดถ้าลองได้ตั้งใจแล้วถ้ามีสัจจะก็จะทำได้แต่ถ้าไม่มีสัจจะเดี๋ยวพอถึงเวลาเปลี่ยนอารมณ์มันมาเปลี่ยนได้ การที่เราจะมารักษาศีลแปดในวันพระได้เนี่ยเราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนเช่นเมื่อวานนี้อาจจะคิดว่าโอ้พรุ่งนี้วันพระรักษาศีลแปดดีไมด่ดีต้องถามตัวเองก่อนอดีก็ต้องถามก่อนว่ารักษาแล้วรักษาได้หรือเปล่าอพอถึงเวลาจะรักษาทำได้หรือเปล่าต้องถามตัวเองก่อนมีสัจจะหรือเปล่า หลือกโหกหลอกลวงชอบหลอกลวงตัวเองเลยชอบคิดว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้พอถึงเวลาเปลี่ยนใจทุกทีอันนี้เรียกว่าชอบหลอกลวงตัวเองหลอกคนอื่นนี่ไม่ไร้ายเท่ากับหลอกตัวเองหลอกคนอื่นคนอื่นเขาเสียหายแต่หลอกตัวเองนี่เราเสียหายอยงนั้นอย่าหลอกตัวเองต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองก่อนที่จะ ทำอะไรถามตัวเองให้ถามตัวเองให้ได้คําตอบกันว่าเราเอาจริงหรือเปล่าอหรือเราชอบหลอกเราเรื่อยคิดไปแบบโก้โก็คิดว่าจะรักษาศีลนแปดพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจแลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คิดใหม่คิดจะรักษาศีลนแปดใหม่พอถึงวันพระก็เปลี่ยนใจอีกหรือบางทีมีเพื่อนมาชวนปุ๊บปั๊บกระทันหันไปเลย ชวนเพื่อนมาชวนไปทำนูน่นทำนี่ก็ไปเลยแต่ถ้ามีสัจจะนี้รับรองได้ต่อให้ช้างมาลากก็ไม่ไปอย่างนั้นเราต้องมีสัจจะมีอธิษฐานมีความตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลแปดในวันพระถ้าเราไม่มีอธิษฐานไม่มีสัจจะนี้จะทำไม่สาเร็จ แล้วการมีอธิษฐานมีสัจจะก็เป็นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นอาจจะทำแต่อาจจะทำไม่ตลอดก็ได้ถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอาจจะรักษาได้แค่เที่ยงวันพอหลังจากเที่ยงวันบายหิวข้าวก็เลยขอลาศีนก่อนก็ได้อันนี้เรียกว่าไม่มีความเพียรไม่มีไม่มีความอดทน การที่จะรักษาศีลแปดได้เนี่มันเหมือนปีนเขาเนะะ่การไปเที่ยวนี่มันเหมือนเดินลงเขานะไปเที่ยวนี่ง่ายเพื่อนโทรมาปับ๊บเตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวออกไปได้รวดเร็วทันใจแต่การที่จะไปถือศีลแปดไปอยู่วัดนี้ต้องนั่งคิดหลายตลกเหมือนกับการจะต้องปีนเขากันถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีสัจจะไม่มีความภาคเพียร ความอุตสาหะความพยายามไม่มีความอดทนนี่เดี๋ยวก็ทำไม่ได้ล้มเหลวอนี่คือธรรมะที่เราควรที่จะหากันมาเป็นเครื่องเครื่องมือสนับสนุนในการที่เราจะมาสร้างความสุขทางใจกันเราต้องมีอธิษฐานสัจจะมีวิริยะมีขันติถ้าเรายังไม่มีเราต้องมาหัดสร้างกัน แบบนี้เราต้องมาหัดตั้งใจว่าพวกนี้ตั้งใจจะทําอะไรอลองหัดตั้งใจดูก่อนมีความตั้งใจแล้วดูสิว่ารักษาความตั้งใจได้ไหมทําในสิ่งที่เราตั้งใจทําได้หรือไม่มีความพยายามทําหรือไม่มีความอดทนหรือไม่เวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคถ้าไม่มีธรรมะสี่ข้อนี้ ยากที่จะมาสร้างความสุขทางใจได้ผู้ที่จะสร้างความสุขทางใจได้ต้องมีสัจจะอธิษฐานมีวิริยะความเพียรพยายามมีขันติความอดทนเพราะมารักษาศีลแปลนี้มันต้องอดทนต่อความอยากต่างๆเวลาอยากจะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้เวลาจะกินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วก็กินไม่ได้ จะดูละครดูทีวีดูหนังฟังเพลงก็ดูไม่ได้ฟังไม่ได้จะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้จะนอนบนผูกหนาๆเตียงใหญ่ๆก็ไม่ได้ให้นอนกับพื้นแข็งๆนี่เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสุขทางใจ อุปสรรคนี้เราเรียกว่านิวรนนิวรนคืออะไรมีอยู่5ข้อแต่ข้อนี้ข้อที่เป็นอุปสรรคมากก็คือกามฉันทะความชอบเสพกามนั่นเองความชอบเสพความสุขทางร่างกายยังต้องไม่ค่อยอยากจะถือศีล8ดกันเพราะถ้าถือศีล8แล้วมันจะห้ามการเสพกามทางร่างกายเสพทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันจึงเป็นข้อที่เป็นอุปสรรคที่ยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่เกิดและไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นเคยทำมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วเรื่องการเสพกามนี่เป็นเรื่องที่เราทำกันมาเหมือนกับการถนัดมือขวามือซ้ายนี่เราถนัดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้ มันถนัดมาติดกับใจมาตลอดพอที่จะมาเปลี่ยนมันจึงเป็นของที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่สุดวิสัยถ้ามีสัจจะอธิษฐานมีความภาคเพียรมีวิริยะมีขันติความอดทนก็จะสร้างได้ก็จะสามารถมาถือศีลแปดกันได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะถือศีลแปด พยายามสร้างอธิษฐานสัจจะวิริยะขันติขึ้นมาทำอะไรหัดทำหัดเป็นคนขยันหมั่นเพียรอย่าเกียจคร้านพยายามทำอะไรเองอย่าใช้คนอื่นสิ่งไหนที่เราทำเองได้ทำไปอย่าให้คนอื่นทำเขาได้กำไรเราใช้คนอื่นเราขาดทุนเราได้ความขี้เกียจเขาได้ความขยนันความขี้เกียจนั้นไม่ดี มันไม่สามารถที่จะปลดเปื้องให้เราออกจากการเสพการได้เราต้องมีความขยันแล้วก็ต้องมีความอดทนวิธีที่จะมีความอดทนก็คือเราต้องหัดอยู่แบบอัตคัดกัดสนอยู่แบบยากลำบากอย่าไปอยู่แบบสบายอยู่สบายแล้วมันไม่ต้องมีขันติมันไม่ต้องมีความอดทน ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเคยอยู่สุขสบายแบบพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาโอรสอยู่ในวังนี้ไม่ต้องมีความขยันเลยเพียงแต่ชี้นิ้วเพียงแต่ใช้ปากพูดเท่านั้นก็มีคนรับใช้ตลอดเวลาความทุกข์ยากลำบากอัตคัดกัดสนก็ไม่มีเลยมีพร้อมทุกอย่างต้องการอะไรมา อย่างรวดเร็วทันใจเสมออันนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทางโลกแต่ไม่ดีสำหรับทางธรรมเพราะจะทำให้ยากต่อการที่จะมาสร้างความสุขทางใจได้สมัยนี้ดูดี่มีคนน่่ารวยคนที่มีคนที่อยู่สุขสบายนี่ออกบวชกันสักกี่คนไม่ค่อยมียาก เพราะว่าไม่มีใครอยากจะมาอยู่แบบอดอยากขาดแคลนมาอยู่แบบพระมาอยู่ถือศีลแปดถือศีลสิบศีลสองรอยี่สิบถือทุดงขวัตเนี่ยเี่เป็นวิธีฝึกฝนให้เกิดขันติความอดทนที่พรุทธเจ้าสอนให้เราถือทุดงขวัตเนี่ยเช่นให้บินทบาทเนี่ยถ้าอยากจะกินก็ต้องออกไปเดินบินทบาท แต่ญาติโยมกลับมาทําให้พระเสียชอบนิมนต์พระไปฉันที่บ้านนี้กพระเลยไม่ต้องบินธบาทนั่งรถไปมีรถมารับไปถึงก็นั่งกินกินเสร็จก็สวดสวดเสร็จก็กลับนพระเลยอ้วนท้วนใช่ไหมสมัยนี้แต่ธรรมะไม่มีเลยธรรมะไม่มีเลยแต่ญาติโยมไม่เข้าใจญาติโยมอยากจะทําบุญอยากจะให้พระอยู่อย่างสุขสบาย แต่การอยู่แบบสุขสบายนี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับพระพระที่อยู่สุขสบายนี้อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เสกกันเพราะว่ามันเกิดความอยากในเสพการมันแรงขึ้นก็จะทนอยู่กันไม่ได้ต้องอยู่แบบอัตคัดขัดสนดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านี้เป็นต้นฉบับแบบฉบับของพระป่า พระป่าเนี่ยพระพุทธเจา้าหนีออกจากวังไปอยู่ในป่าไปอยู่แบบอัตคาตกัดสนกุติก็ไม่มีอยู่ยอาศัยเรือนร้างบ้างอาศัยถ้าบ้างอาศัยเงื่อมผาบ้างอยู่ตามโคนไม้บ้างหาที่มุงที่บังทำด้วยกิ่งไม้ใบไม้อยู่แบบมีภัยรอบด้านเนีย แต่มันเป็นประโยชน์กับการสร้างความสุขทางใจมันทำให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนแล้วก็ให้ขยันหมั่นเพียรด้วยการออกบินทบาทให้ไปเดินบินทบาทถ้าอยากจะกินก็บินทบาทไม่ให้รับกิจนิมนต์รับกิจนิมนต์แล้วมันจะขี้เกียจมันจะสบายเกินไป จะไม่มีขันติไม่มีความอดทนแล้วจะไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจตัวที่ดึงให้ใจต้องไปพึ่งร่างกายไปพึ่งสิ่งต่างๆเพื่อหาความสุขแต่ถ้าเรามีความอดทนเราก็จะฝืนความอยากต่างๆได้สู้กับความอยากได้ทำใจให้สงบได้ สร้างความสุขทางใจขึ้นมาได้นักปฏิบัติผู้ที่ต้องการหาความสุขทางใจนี้จะต้องอลดหรือเลิกการหาความสุขทางร่างกายการกินการอยู่ทางร่างกายก็ให้มันเป็นแบบพื้นๆก็พออย่าให้มันสุขสบายมากจนเกินไปพอให้อยู่ได้ก็พอ อย่าให้ต้องอยู่แบบสุขสบายแล้วมันจะทําให้เกิดความเกลียดคร้านถ้ามันสุขสบายมันจะอยากจะนอนถ้ามันไม่สุขสบายมันจะไม่ค่อยอยากจะนอนเหมือนอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติธรรมมากกว่า น, นี่คือเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจเราต้องเริ่มต้นที่การถือศีลแปดกันะ ถ้าไม่มีศีลแปดเราจะกําจัดหรือเบรกหรือห้ามกามาฉันทะไม่ได้ตัวที่เป็นเป้ที่มาสร้างอุปสรรคในการทําความสงบสร้างความสุขทางใจนะคือตัวกามฉันทะศีลห้าศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้หยุดกามาฉันทะจึงต้องถือศีลแปดถือศีลแปดก็จะหยุดกามฉันทะเพราะห้ามไม่ให้เสพกรามกัน ถ้าเราสามารถรักษาศีลแปดได้เราก็พร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขทางใจได้ต่อไปศีลแปนี้เป็นเพียงแต่เป็นผู้เปิดทางให้เราได้ไปสู่การสร้างศีลแปดคือเป็นผู้ทาลายอุปสรรคที่ขวางกันการสร้างความสุขทางใจ ก็คือการมาฉันทะความอยากเสพกามนี่ลต้องถือศีลแปดเพื่อระ ง, งับความอยากพอเราระ ง, งับความอยากได้ทางมันก็จะเปิดขึ้นมาอุปสรรคที่ขวางการการทำใจให้สงบมันก็จะถูกทําลายไปเราก็จะได้มีเวลามาสร้างความสงบกันนะขั้นต่อไปพอเราถือศีลแปดได้เราก็ต้อง ไปอยู่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกิ่นรถจากผู้คนอยากก่าคุกคีกันอย่าสังคมกันการที่จะทำใจให้สงบนี้จําเป็นที่จะต้องอยู่คนเดียวเรียกว่าปลีกวิเวกกายวิเวกกายวิเวกแล้วใจจะวิเวกกับว่าวิเวกก็คือมังเวเงสงบสงัดนี้เอง วิเวกวังเวงสงบสงดัดถ้าร่างกายอยู่ในสถานที่วิเวกวังเวงสงบสงดัดมันจะช่วยทำให้ใจวิเวกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายถ้าร่างกายไปอยู่ในที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องมีแต่เสียงเอกระทึกคึกโครมมีแต่ผู้คนขวักไขว่ฝักไฝเต็มไปหมดเช่นตามศูนย์การค้าต่างกลง ตามบ้านตามเมืองไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบในสถานที่เหล่านั้นทำได้ยากเพราะว่ามันมาคอยรบกวนใจใจไม่สามารถตั้งมั่นให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้เพราะจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคอยฉุดมาคอยดึงไปอยู่เรื่อย พอได้ยินเสียงปับใจก็ไปแล้วพุโทโธได้อยู่พักหนึ่งพอมีเสียงอะไรมากระทบหน่อยไปกับเสียงแล้วพอมีกลิ่นอะไรมากระทบหน่อยเดี๋ยวก็ปุงแต่งไปกับกลิ่นนั้นแหละกลินะก่นนี้อร่อยน่ากินหิวข้าวขึ้นมาทันที น, นี่คือวิธีที่จะทําให้ใจสงบนะนอกจากถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปปลีกวิเวกน มีคนชอบถามเลยว่าถือศีลแปดที่บ้านกับที่วัดต่างกันไหมมันก็ต่างเนียเพราะว่าที่บ้านมันวุ่นวายวุ่นวายหนอมีผู้คนมีอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆทางกามเยอะไปหมดทางตาหูจมูกนิ้นกายเราถือศีลแปดถือได้แต่มันภาวนาไม่ได้ถือศีลแปดได้แต่ก็อาจจะถือแบบยาก เห็นคนอื่นยเขากินข้าวเย็นเดี๋ยวก็อดที่จะหิวขึ้นมาไม่ได้บางทีไม่ใช่เพียงแต่เห็นเห็นแล้วก็ยังมาชวนกินอีกมาใหญ่อีกมาล่ออีกไม่กินเหรอแน่ใจเหรอ <c oughs> เออเออมันยิ่งยากใหญ่ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีคนเขากินข้าวเย็นนี่มันก็ไม่มีอะไรมาล่อใจมาสร้างความปั่นป่วนให้กับใจมาสร้างความอยากให้เกิดขึ้นะ นี่คือสิ่งที่ต้องทำถือศีลแปแล้วก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนก็แยกกันอยู่อย่ามาคุกคีกันอย่ามาติดกันเหมือนป่าท่องโกชอบเกาะติดกันเรอถึงแม่มาอยู่วัดแล้วอยู่วัดอยู่คนเดียวก็เหงาอีกต้องมีเพื่อนเกาะมีเพื่อนคุยกัน ถ้ามีเพื่อนเกาะก็ไม่ได้ภาวนาอีกไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติอีกพอมัวแต่นั่งคุยกันคุยถามกันไปถามกันมาเดี๋ยวก็ชวนกันไปเดิมไปกินอะไรกันอีกฉะนั้นต้องไม่คลุกขีดกันด้วยถ้าไปอยู่ในที่วิเวกแล้วมีคนอยู่ร่วมกันหลายคนก็ต้องแยกกันอยู่อย่าอย่าเกาะติดกันมาพบกันเฉพาะเวลาที่ ทำกิจร่วมกันเช่นทําความสะอาดหรือมารับประทานอาหารหรือบางแห่งเขาให้มารวมกันไหว้พระสวดมนต์มาก็ไม่ให้คุยกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของกันไปทําเสร็จก็แยกกันไปบางแห่งเขาไม่ให้มีการมารวมกันเลยเพราะว่าเขาเห็นว่ามารวมกันแล้วมันขาดทุนสู้ให้แยกกันอยู่ดีกว่าจะได้ ทำใจให้สงบได้มากกว่าเพราะไม่ต้องมามาพบปะกันไม่ต้องม า, าพูดมาคุยกันเพราะโดยธรรมชาติของคนนี้เวลาเจอกันอดที่จะคุยกันไม่ได้เพราะถ้าไม่คุยก็เดี๋ยวต่างฝ่ายต่างคิดว่ามีอะไรหรือไม่พอใจหรือทาไมถึงไม่คุยกันทาไมถึงไม่ทักทายกัน ก็จะอดที่จะต้องมาทักทายมาคุยกันไม่ได้อพราะฉะนั้นอย่าเจอกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องคิดเนี่ยพราเวลาเจอกันแล้วต้องคิดคิดแล้วเพราก่อนจะพูดนีด้ต้องคิดก่อนพอคิดไปพูดไปมันก็ไม่หยุดนลยพอจะมานั่งสมาธิมันก็ยังนั่งคิดอยู่กับเรื่องที่คิดกันอยู่นั่นเฉะนั้นอย่าคุกคี ก, กันะ ไปปีกวิเวกแล้วก็อย่าคุกคลีกันพอเราไม่คุกคลีกับใครเราก็จะมีเวลาเดินเจริญสติเดินจงกรมไปจเจริญสติไปพุทโธพุทโธไปเดินไปพุทโธไปก็ได้หรือเดินไปแล้วดูเท้าก็ได้เฝ้าดูเท้าว่าตอนนี้กาลังก้าวเท้ า, ทาซ้ายหรือเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวา ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับการเดินหรือทําให้ชอบซ้ายขวาจะใช้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้อันนี้เป็นการฝึกสติต้องมีสติถึงจะทําใจให้สงบได้ถ้าไม่มีสติจะไม่มีอะไรมาหยุดความคิดนั่นเองถ้าไม่มีอะไรหยุดความคิด ใจก็จะไม่สงบเมื่อใจไม่สงบก็จะไม่เกิดความสุขที่ใจจะสามารถพึ่งได้นะดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากที่มีศีลถือศีลแปดแล้วไปอยู่ที่ปีกวิเวกที่สงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาฝึกสติต้องมีอะไรมาคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยถึงแม้จะอยู่คนเดียวบางทียังอดคิดไม่ได้ ยังคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ที่นี่แต่ยังไปคิดถึงที่บ้านเข็นที่เข็นที่นู่นคิดแล้วมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรได้แต่ความพุ่งสร้างถ้าคิดก็อย่ามาถ้าอยากคิดถึงบ้านก็อย่ามาก็อยู่บ้านไปก็หมดเรื่องจะได้ไม่ต้องคิดถึงบ้านพออยู่บ้านก็คิดถึงวัดเองกลอยากจะไปวัดเองแล้พอมาวัดก็คิดถึงบ้านเอยอยากจะกลับไปบ้านกิเลสมันหลอกเรา หรอกให้เราอยากนู่นอยากนี่ไปเพราะอยู่ที่ไหนมันไม่มีความสุขมันก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขไปอยู่ตรงนู่นน่าจะมีความสุขกว่าพอไปอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีความสุขอีกเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ที่เราอยู่ความสุขมันอยู่ที่ใจที่สงบถ้าเราไม่สามารถทาใจให้เราสงบต่อให้ไปอยู่ในวังก็ไม่มีความสุข สุขเดี๋ยวเดียวแ้วเดี๋ยวก็ต้องหาอะไรมาให้ความสุขหาอะไรมาได้เท่าไหร่ก็สุขเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขแบบท้าวอมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขแบบท้าวรก็คือความสงบนี่นั้นเราต้องทาใจให้สงบให้ได้และการที่จะทําใจให้สงบนี้ต้องมีสติเท่านั้น ถ้าไม่มีสตินี้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจสงบได้ไม่มีใครมาทำใจของเราให้สงบได้พระพุทธเจ้าก็ททำไม่ได้พระอาลัยสงสาวกต่างๆกูบาอาจารย์ต่างๆก็มาทำให้ใจเราสงบไม่ได้มีสติเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราสงบได้แล้วมีเราเท่านั้นที่จะสร้างสติขึ้นมาได้ไม่มีใครสร้างสติให้กับเราได้ เราต้องสร้างสติขึ้นมาเองเรียกว่าอัตตาหิอตัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเรื่องของการปฏิบัตินี้ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้เราต้องปฏิบัติเองจ้างคนมาปฏิบัติไม่ได้บางคนคิดว่าจ้างให้คนมาบวชแทนได้มีคนบางทีจ้างให้บวชหรือไม่ได้จ้างเพราะรู้ว่าเขาจะบวชแล้วเขายากจนไม่มี เงินซื้ออัดบริการก็เป็นผู้สปอนเซอร์อันนี้ก็ได้บุญแต่ไม่ได้บุญจากการสร้างสติไม่ได้บวชได้บุญจากการทําทานได้แบ่งปันได้เสียสละเงินทองแต่ไม่ได้ไม่ได้สติอยากจะได้สติต้องมาสร้างเองต้องถือศีลแปดต้องไปปลีกวิเวก ต้องไม่คลุกคลีกันแล้วตอนนั้นหละถึงจะสามารถสร้างศีลสร้างสติขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่สร้างก็ไม่ได้อีกถึงแม้จะถือศีลแปดถึงแม้จะไปปีกเวยเวกถึงแม้จะไม่คุกคลีกับใครได้ก็ปล่อยให้ใจลอยเพ้อเจอ้อเพ้อฝั น, นคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยู่ไปก็ไม่มีวันสงบได้ถ้าจะให้สงบนี้ต้องหยุดคิด ต้องบังคับให้มันคิดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดคิดเราถึงจะหยุดพุทโธได้เราไม่ต้องพุทโธไปตลอดพุทโธเฉพาะให้มันหยุดคิดถ้ามันหยุดคิดเมื่อไหร่เราก็หยุดพุทโธได้เหมือนรถที่มันไหลถ้าเราต้องการให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกเหยียบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุด Cohen. พอมันหยุดแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้ พอมันไหลเราค่อยเหยียบเราค่อยเบรกเหยียบเบรกใหม่ใจเราคือความคิดของเราก็เหมือนกับรถที่ไหลเราคิดไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดเองถ้าเราต้องการให้มันหยุดเองเราต้องมีอะไรเช่นพุโทโธถ้าพุโทโธยังไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนเนี่ยที่เขาให้มาไหว้พระสวดมนต์กันนี่ก็เป็นวิธีหยุดความคิดอย่างหนึง่งวิธีสร้างสติขึ้นมาอย่างหนึง่ง ถ้าเราพุทธถ้าเราสวดมนต์ไปเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้สวดสวดแต่ปากแต่ใจไม่ได้สวดตามอย่างนี้ก็ไม่ได้สติถ้าสวดก็ต้องใจก็ต้องอยู่กับการสวดอย่าสวดแต่ปากสวดไปใจก็ต้องสวดไปด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ปากสวดไปแต่ใจก็ยังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ อย่างนี้ก็ไม่ได้สติไม่ได้ผลต้องสวดอย่างเดียวคิดใจก็ต้องสวดร่างกายก็ต้องสวดไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถที่จะใช้พุทธโธได้ก็ไม่ต้องสวดก็ได้อหรือถ้าเราสามารถดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เฝ้าดูอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็บังคับให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของาร่างกายเช่นเวลาเดินก็ให้มก็ให้เดินไปกับร่างกายเวลาทำอะไรก็ทำไปกับร่างกายอาบน้ำก็อาบไปกับร่างกายล้างหน้าแปรงฟันก็ทำไปกับร่างกายให้ใจทำควบคู่ไปกับร่างกายไม่ให้ใจไปที่อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติเพราะมันทำให้หยุดความคิดได้มันทาให้ไม่คิด มันทำให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรามีสติระดับนี้แล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบได้ง่ายและรวดเร็วถ้าไม่คิดอะไรรู้เฉยๆเวลานั่งก็ให้รู้ลมดูลมให้รู้ว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกให้รู้อยู่ตรงที่ปลายจมูกคอยดูมันตรงนั้นไม่ต้องเคลื่อนไม่ต้องเคลื่อนที่ดู ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกถ้าตามเข้าตามออกมันจะเคลื่อนจิตมันจะทำงานจิตมันจะไม่นิ่งจะไม่สงบถ้าอยากจะให้มันนิ่งให้มันสงบนี้ให้มันดูที่ปลายจมูกอยู่ที่เดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจ ลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปแต่ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆถ้าไม่มีลมดูก็ดูดูเฉยๆไปดูความว่างไปแ ต, แต่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อาจจะเห็นลมกลับมาก็ได้เพราะลมมันละเอียดบางทีนานๆมันจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ขอให้เราอย่าคิดก็แล้วกันอย่าไปคิดว่า้ลมหายไปแล้วตายหรือเปล่าะคิดอย่างนี้เดี๋ยวจิตมันก็จะถอนออกมาอย่าคิดให้ดูไปรู้ว่าลมหายก็รู้ว่าหายเดี๋ยวถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันจะรวมมันจะสงบแล้วมันจะนิ่งแล้วมันจะมีความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการให้จิตนิ่งให้สงบแล้วจะเกิดอุเบกขาะ สักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆแต่ไม่มีอะไรให้รู้มีแต่ความว่างแล้วก็มีแต่ความสบายใจความสุขใจที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขการใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี่คือเป้าหมายของการฝึกสติของการนั่งสมาธิเพื่อให้เราได้เข้าถึงความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ อันนี้เป็นขั้นความสุขขั้นแรกที่ยังไม่ทาวรมันจะสุขเฉพาะตอนที่เราหยุดคิดซัตอนที่เราดึงให้มันเข้าสู่ความสงบแต่พอเราออกจากความสงบมาเดี๋ยวความสงบนั้นก็จะหายไปพอออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็เกิดความ คิดเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาต่อไปถ้าอยากจะไม่ให้วุ่นวายใจเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเวลาที่เราชำนาญในการนั่งสมาธิแล้วตอนตอนต้นถ้ายังไม่ชำนาญถ้าเป็นสงบเพียงครั้งแรกออกมาก็กลับออกมาก็มาฝึกสติต่อมาควบคุมใจไม่ให้คิดต่อไป ด้วยการใช้พุโทโธหรือด้วยการใช้การเฝ้าดูร่างกายไปหรือสวดมนต์ไปทำอย่างนี้ไปก่อนทำให้เราเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการเราต้องการความสงบจากสมาธิเมื่อไหร่เราก็สามารถทำได้ทำให้มันชำนาญก่อนเมื่อชำนาญแล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาคอยสอนใจ ให้คอยกําจัดสิ่งที่จะมาทําลายความสงบคือความคิดที่คิดไปในทางความอยากต่างๆความคิดที่ไม่คิดไปในทางความอยากไม่เป็นปัญหาไม่มาทําลายความสงบตัวที่มาทําลายความสงบก็คือความคิดที่ไปคิดไปในทางความอยากเช่นอยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมโดยที่ยังไม่ถึงเวลาจะดื่มยังไม่ถึงเวลาจะกินก็อยากกิน ห้ามมันด้วยปัญญาว่ากินแล้วเดี๋ยวมันจะติดแล้วมันจะต้องกินอยู่เรื่อยแล้วเวลาไม่มีกินมันจะทุกข์เนี่ยการทำตามความอยากมันจะสุขตอนต้นแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์เวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้ถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยากกลับมาหาความสุขจากการ ทำใจให้สงบกลับมาที่สติพุโทโธพุโทโธไปพอพุโทโธไปเดียววความอยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมมันก็หายไปความสงบก็กลับมาเหมือนเดิมความสุขก็กลับมาเหมือนเดิมทำอย่างนี้ด้วยปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการนี้เป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนัตตา เราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ให้เป็นของเราได้ตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากไปหรือเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากได้อะไรเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจากรูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะเภานี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็จะได้ไม่ทำตามความอยาก พอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังถ้ามันจะมาสร้างความวุ่นวายใจเราก็ใช้สติหยุดมันพุทโธพุทโธถ้าอยากแล้วมันมันมาสร้างความหงุดหงิดลาคาญใจเราก็ใช้พุทโธพุทโธให้มันสงบพอมันสงบความหงุดหงิดําคาญใจต่างๆมันก็จะหายไปแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมา เมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจมาสร้างความวุ่นวายใจมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิใจก็จะสงบทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิขณะที่อยู่ข้างนอกสมาธิจะสงบเหมือนกันจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจจะสงบไปตลอด ความสงบแบบนี้เราเรียกว่าพาสนิพานนิพานก็คือใจที่สงบเพราะปราศจากความอยากต่างๆความอยากต่างๆได้ถูกทำลายไปด้วยปัญญาปัญญาที่เห็นโทษของความอยากเห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรานั่นเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นสิ่งที่เราคิดว่าสวยงามว่าไม่สวยงาม พอเห็นสิ่งที่เราคิดว่าสวยงามไม่สวยงามเราก็ไม่อยากได้ดอกไม้ที่เขาขายนี่ถ้าเราเห็นว่าอีกสามวันมันจะเหี่ยวเราจะเสียเงินไปซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วตั้งไว้เดี๋ยวเดียวมันก็เหี่ยวแล้วซื้อมาให้เสียเงินเสียทองหว่าวาแต่ไม่เห็นกันเห็นวันตอนที่เขาขายวนดูล้าสวยอยากจะได้วัน ว, นวนาเลนไทน์อยากจะได้ดอกกุหลาบกันกี่ร้อยกี่พันก็ยอมจ่ายอยีกประทศหนึง่งกุหลาบนั้นกลายเป็นอะไรไปล้ กลายเป็นขยะไปแล้วไม่เห็นกันเซื้อขยะมาแท้ๆเสียเงินไปเปล่าๆทาไมอันนี้แหละคือไม่เห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันก็เฉาบานแล้วก็เดี๋ยวมันก็โรยไม่มีอะไรที่บานไม่รู้โรยหรอกอันนั้นก็ตั้งชื่อเล่นๆท่านเงดอกบานไม่รู้โรยไม่มีดอกไหนที่บานแล้วไม่โรยหรอกมันโรยทั้งนั้นเนี่เออันนี้มันไม่มีปัญญากัน่ะ ถ้ามีปัญญาแล้วมันรู้ดอกไม้มันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมันก็มันก็เหี่ยวลงคนเราจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวก็เหี่ยวดูคนแก่ดิถ้าอยากจะดูว่าคนสาวต่อไปจะเป็นยังไงก็ดูคนแก่เลยคนแก่เมื่อก่อนก็เป็นคนสาวมาก่อนเอย่างนี้แก่แล้วเป็นยังไงไม่ใช้ปัญญาดูกันเนี่ถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะเห็นมันจะทำให้ลบความอยากหมดไม่ต้องการไม่ต้องการอะไร เพราู้ว่าสิ่งที่ได้มาในที่สุดมันก็จะต้องเสื่อมไปหมดไป น, นี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจพอเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนตายเราก็จะกลับไม่กลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่ต้องมีร่างกาย เราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่มีร่างกายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ต้องมาเกิดแล้วเพราะท่านมีความสุขในใจของท่านตลอดเวลาท่านเลยไม่ต้องมามีร่างกายเหมือนพวกเราพวกเรานี่เดี๋ยวตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถสร้างความสุขภายในใจให้มีได้อย่างถาวร เราจรึงต้องมาวัดกันในวันพระเพื่อได้มาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจแล้วก็มาหัดสร้างกันถ้าหัดทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทำได้เพราะทุกคนก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ทำไม่ได้ภาษาวกก็ทำไม่ได้แต่พอมาศึกษาวิธีทำแล้วมาทำกันเดี๋ยวก็ทำได้เหมือนหัดว่ายน้ามีใครเกิดมาแล้วว่ายน้ำเป็นบ้างไหมไม่มีล้แต่พอมาหัดว่ายกันเดี๋ยวเดียวก็ว่ายได้ อันนี้ก็เหมือนกันการสร้างความสุขทางใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาหัดทำกันพอเราทำได้แล้วต่อไปเราก็จะทำได้ตลอดแล้วเราก็จะมีความสุขไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปป an ักปติยที่ต um ังปที่ตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาดันโทปนาหราโยะถามณิโชติ อราโสยะถาสัพิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนศสีฤทสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง คะน า, าทนนีเข้ามาเท่าไหรวันนี้จาก Facebook 373 YouTube 179 Instagram 3วิทยุออนไลน์27ผู้รับฟังบนเขา78รวม660ค่ะช่วงนี้เกิน600นะน่นานจะมีต่างค์เกิ0 0 ส่วนใหญ่ก็เกินหกร้อยเงันช่วงนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้เมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อบรรยายทำเรื่อง เ, ออเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องทำสมาธินะคะโยมเคยอ่านานาปานสติสูตรคำ ทำแปลคะ่ะแล้วถึงตอนที่ลมลมหายไปตรงนั้นตรงนั้นเรียกว่ากายสังขารหยุดก็ให้รู้ว่าระ ง, งับกายสังขารแต่พอถึงตอนที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมันสงบแล้วมันมันมีแต่ ความรู้อยู่เป็นความว่างเราจะเรียกตรงนั้นว่าจิตสังขารระงับด้วยหรือเปล่าคะไม่เรียกมันทําไมตอนนั้นไม่เรียกอะไรแล้วเรียกไม่เรียกมันก็ไม่ได้ไปมีประโยชน์อะไรไปเรียกมันทําไมแต่มันไม่ยังไม่ถึงเก่าวิสังขารคือยังไงมันก็ไม่ใช่มันไม่มีชื่อเราไปตั้งชื่อให้มันเองเราไม่ชื่อไหนเกิดมาถ้าพ่อแม่ไม่ตั้งชื่อเราเรามีชื่อก็ปะ ไม่มีเราไปตั้งชื่อแล้วไปติดชื่อออย่าไปติดกับชื่อมันจะชื่ออะไรช่างหัวมันขอให้ได้ตัวมันก็แล้วกันนะให้มันสงบก็แล้วกันแล้วไปเรียกชื่อว่าเป็นชืช่ออะไรจตจิตตะสังอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่ชื่ออืจะเทียบกับคําแปลไหน่็นไปเทียบมันไมเราปฏิบัติไม่ได้ไปเทียบอะไรเราปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดความสุขขึ้นมาในใจเรา เทียบที่ใจเราวัดที่ใจเราคำพีเขาจะว่างไงก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ต้องไปเทียงกับคำพีให้เหนื่อยวาเปล่าอย่างที่หลวงตาบอกว่าเอาไอ้ส ด, สดสดร้อนร้อนอะไรนั่นอ่านั่นแหละเขาต้องคุณค่ะมีใครอยากถามไหม <c oughs> มาไกลมาจากทวีปอเมริกาใต้ ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยวิเศษหมคนอยู่ไกลแสนไกลยังอุตสามาข้ามน้ำข้ามทะเลมาพวกเราเป็นพวกเกลือใกล้เกลือกินด่างกันหรือเปล่ามีธรรมะอยู่กับใกล้กับไม่สนใจกับสนใจทีวีสนใจละครสิ่งที่ลูกเห็นนี่เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าค มันเป็นอนิจจังเน้นะมันไม่ดีไม่เชื่อมันเฉยๆอยู่ที่เราไปว่ามันดีแล้วไม่ดีนะยังถ้าเราไม่รู้ว่าดีไม่ดีก็อย่าไปสนใจโยนทิ้งไปแผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้เราไม่รู้เป็นอะไรจะไปแผ่อะไรให้มันให้เขามาขอก่อนก็ได้ถ้าเขามาขอกวามเมตตาก็ค่อยแพให้เขาไปถ้าเขาไม่มาขอมันบางทีไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรเราคิดไปเองยัอย่าไปคิดให้มันเสียเวลา ถ้าเราไม่รู้อะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปมันไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปทำอะไรเขาอยู่เฉยๆะนะโอเคอมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเ็าถามบ้างแล้วเดี๋ยวอยากจะถามทีหลังก็ค่อยถามก็ได้เอาทางบ้านหน่อย คำถามจากคุณโอปอค่ะลูกขอเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความไม่รู้เรื่องความสุขค่ะปัจจุบันนี้ลูกมีความสุขโดยการดูลมหายใจเข้าออกเมื่อใจสงบก็เกิดสุขหากลูกไม่มีร่างกายไม่มีลมหายใจแล้วเราจะหาความสุขแบบนี้ได้หรือไม่คะได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างไม่ต้องใช้ลมหายใจลมหายใจเป็นเพียงที่ให้เราหยุดความคิดเท่านั้นเอง ถ้าเรารู้จักหยุดความคิดเราก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจไม่มีร่างกายเราก็เพียงแต่สั่งให้หยุดคิดเราก็ได้ความสุขเหมือนตอนที่เราดูลมหายใจลมหายใจเป็นเพียงเครื่องผูกใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองพอเรารู้จักวิธีดึงใจไม่ให้ไปคิดได้เราก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็หยุดคิดก็ได้มันก็สงบได้เหมือนกันข้อสาคัญขอให้เราหยุดคิดให้ได้เท่านั้นเอง ถ้าหยุดคิดไม่ได้เราก็ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องมือหยุดมันดูลมหายใจหรือพุทธโธเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราหยุดคิดกันขออนุญาตค่ะพระอาจารย์แสดงว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เครื่องมือที่จะทําให้เราฝึกสติสมาธิได้ก็คือร่างกายถูกต้องถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องใช้ร่างกายถ้ามีถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย ทำร้วตัวปัตัวที่เป็นปัญหาก็คือความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็ไม่ต้องใช้สสแสดงว่าเรามีสติพอที่จะหยุดความคิดได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้อะไรมาทำให้เราหยุดคิดกราบขอบพระคุณค่ะคำถามจากคุณสิมมาค่ะขอกราบเรียนถามคาถามครับ นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการน้ำลายไหลโดยไม่รู้ตัวพอออกจากการนั่งสมาธิถึงรู้ตัวแสดงว่าขาดสมาธิใช่ไหมครับผมคิดว่าจะแก้ไขด้วยการฝึกสติด้วยการเดินจงกรมให้มากๆเป็นการแก้ที่ถูกต้องไหมครับหรืออาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรักษาศีลห้าไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าครับไม่เกี่ยวกับศีลนะเกี่ยวกับสติตอนนั้นเป็นช่วงที่เราหลับไป เหมือนเวลานอนหลับบางทีน้ำลายก็ไหลอันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิไปแล้วพอเปิดสติมันก็เหมือนนั่งหลับไปเดินไม่รู้สึกตัวตอนนั้นน้ำลายมันก็ไหลออกมางั้นก็ลุกไปเดินดีกว่าลุกไปฝึกสติให้มีกําลังมากขึ้นเพื่อเวลานั่งจะได้ไม่หลับถ้าไม่หลับแล้วน้ําลายก็จะไม่ไหลออกมาคําถามจากคุณยุ้ยกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ หากสามีนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นทั้งนี้เรายังไม่มีลูกด้วยกันดิฉันสมควรขอดิฉันสมควรรอเขากลับตัวไหมคะหรือดิฉันจะทำอย่างไรเพื่อตัดเขาออกไปจากใจได้คะก็แล้วแต่เราเราอยากจะรอก็รอไปเราอยากจะตัดก็ตัดไปก็มีเท่านั้นอยู่ที่เราจะเอาทางไหนก็เลือกก็เอาคำถามจากคุณชรินทิพย์ กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูสะดวกไปถือศีลที่วันเสาร์อาทิตต่างอย่างไรกับไปถือศีลในวันพระไหมเจ้าคะก็ต่างอยู่ที่ว่าวัดที่เราไปถือศีลก็มีการสอนในวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ต่างถ้าเขาสอนแต่วันอาทิตย์วันพระวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่มีกิจกรรม แต่ถ้าเราไม่ต้องการคำสอนเราต้องการสถานที่ปฏิบัติมันก็ไม่ต่างกันไปวันไหนก็ได้ฝนตกพอดอีช่วงนี้ฝนชอบมาตอนบ่ายๆอยากจะเข้ามาข้างในก็ได้นะแล้วถ้าอยากจะกลับก็ได้ตามใจาถามต่อได้ คำถามจะกคุณพลิดากราบเรียนถามพระหลวงตาเคยได้ยินบ้างบางวัดมีการสอบอารมณ์คืออะไรหรือเจ้าคะเราควรมีการสอบอารมณ์หรือเปล่าหากสอบอารมณ์จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือสามารถพัฒนาการปฏิบัติได้เร็วกว่าหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไม่หรอกการสอบอารมณ์ก็คือเหมือนกับทำข้ะสอบว่าเราอยังควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่ แต่การสอรบอารมณ์นี้เขาต้องสอบแบบไม่บอกไม่เตือนให้รู้ถึงจะสอบได้ถ้าบอกลูกหน้าเขาก็จะเตรียมตัวไว้เช่นบอกวันนี้จะสอบว่าคุณจะโกรธหรือเปล่าแล้วก็พยายามคอยบังคับไม่ให้โกรธพอะเขาถามเราว่าโกรธหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่โกรธงั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเราไม่โกรธจริงหรือเปล่าวิธีที่เขาจะสอบต้องแบบนิทานเรื่องนี้นิทานหลวงตาสอบคุณหญิงคุณนาย คุณหญิงคนณนายไปฟังเทศฟังธรรมหลวงตาอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็เกิดความประทับใจถึงกับต้องมาเล่าให้หลวงหลวงตาฟังว่าตั้งแต่ฟังเทศหลวงตานี่กิเลสไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยพอพูดเท่านั้นหลวงตาก็บอกอีตอนแล้ว <laughs> <laughs> ทีนี้ก็กิเลสก็กลับมาหมดเลย <laughs> เข้าใจไหมอ่าเวลาสอบอารมณ์เขาไม่บอกกันล่วงหนะ้า เราบอกกันล่วงหน้ามันก็เตรียมตัวตั้งรับไว้มันก็ไม่รู้ว่าเพราะบางทีเวลาเราตั้งใจกิเลสมัไม่ขึ้นมาหรอกใช่ไหมเวลาเรามีสติเราคอยแล้วควบคุมนี้มันจะไม่ขึ้นมาแต่เวลาที่เราเผลอเมื่มอไหร่นี่ยมันจะโผล่มาตอนนั้นมันจะมาตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะคอยสู้กับมันเห็นเวลาเขาสอบอารมณ์เจะต้องสอบตอนที่เราไม่ตั้งใจที่จะให้สอบอารมณ์ เราจะรู้ว่าเวลาขึ้นมาแล้วระงับมันได้หรือเปล่า<ฮ>หรือไม่ขึ้นเลย ม, มีอยู่สองระดับระดับระดับแรกก็คือขึ้นมาปั๊บขึ้นมาในใจแต่ก็มีสติหยุดมันไม่ปล่อยให้มันสแสดงอาการออกมาระดับที่สองแบบไม่ขึ้นเลยใครจะแย่ไงก็ไม่ขึ้นเลยอันนั้นระดับของพระอริยพระอรหันต์แต่ระดับผู้ที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์นี้บางที ยังมีอยู่แต่แต่ยังสามารถระงับไม่ให้มันพูดออกมาระบายออกมาทางกายทางวาจาได้หน้าตายังเฉยไม่อะไรไม่พูดอะไรไม่เสียใจไม่ร้องไห้ไม่โกรธอะไรมีสองระดับถ้าเราเราต้องผ่านระดับแรกก่อนต้องรู้ว่าโกรธล้วก็มีสติมีปัญญามาหยุดมันระดับที่สองถ้าเรารู้จักวิธีกาจัดต้นเหตุของความโกรธ เราต้องรู้อะไรทำให้เราโกรธสิ่งที่ทำให้เราโกรธก็คือความอยากนี่พออยากได้อะไรไม่ได้ขึ้นมาก็โกรธใช่ไหมก็อย่าไปอยากสิตัดความอยากให้หมดถ้าไม่มีความอยากแล้ว ร, รับรองน่าจะไม่โกรธใครไม่ต้องการเลยจากใครใครจะว่าใครจะชมก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้อยากให้เขาชมหรือไม่อยากให้เขาว่าเขาจะว่าก็ปล่อยเขาว่าไปเราก็จะไม่โกรธ คำถามจากคุณยุย้ยแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกแม่พูดอะไรส่วนมากมักจะเป็นตามปากแม่เข้าใจว่าลูกก็มีกรรมจากการกระทําของตัวเองอยู่แต่แม่ไม่ค่อยจะอวยพรให้ลูกแถมพูดในแง่ลบให้ลูกเสมอเช่นลูกเปิดร้านขายของแต่แม่จะพูดว่าใครจะมาซื้อขายไม่ได้หรอกเขาก็เราก็เลยขายของยาก ควรทำยังไงดีคะเราไม่เข้าใจหรอกการพูดของแม่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายของของเราเราจะขายดีไม่ดีไม่ดไมด้อยู่ที่คำอวยพรหรือคำสาบแช่งของคนอื่นมันอยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราขายได้หรือไม่ได้มากกว่าเราจะมองว่าเวลาใครก็าสาบแช่งเราขอให้ถือว่าเขากำลังทดสอบอารมณ์เราเราจะต้องเฉยต้องไปถือไม่ต้องไปถือสา Okay. นักปฏิบัติทำจริงแล้วจะต้องถือว่าคําดูด่าว่ากล่าวตักเตือนนี้เป็นการทดสอบอารมณ์เพราะกิเลสมันไม่ชอบให้คนดา่าแม่ชอบให้คนว่าเราเคยด่าใครว่ากิเลสมันจะขึ้นมาทันทีถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องการที่จะกําจัดกิเลสนั้นเราต้องขอบใจคนที่เข้ามาปลุกกิเลสให้เรารู้ว่ากิเลสเรายังไม่หมด บางทีถ้าไม่มีใครว่าเราคิดว่าเราอาจจะคิดว่าโอ้ยเราไม่มีความโกรธเหลืออยู่ในใจแล้วพอวันดีคืนดีใครมาพูดหน่อยเนี่ยขึ้นมาเลยจะได้รู้ว่าออกกิเลสเรายังไม่หมดความโกรธเรายังไม่หมด mm hmm. องั้นเรื่องการพูดของคนอื่นไม่ทําให้เราดีหรือชั่วหรอกงนั้นก็ดีแต่ให้คนอื่นเขาพูดดีๆแล้วเราดีมันไม่ดีหรอก พ, พอระอวยพรเดมปากเปียกปากฉีกเนี่ยทุกวันเนี่ยเรายมดีก็เปล่ามันไม่ได้ดีหรอก มันดีไม่ดีอยู่ที่การกระทาของโยมอยู่ที่กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะมันไม่ได้อยู่ที่คำอวยพรหรือคำสาปแช่งของใครคำถามจากคุณอาทิตย์ข้อทุดงขวัตหลังห้ามแตะพื้นไม่ทราบว่าพระที่ท่านถือข้อปฏิบัติข้อนี้ท่านนอนพักผ่อนด้วยวิธีไหนครับ คือต้องเข้าใจว่าการถือธุดงค์ข้อนี้ไม่ได้ถือไปตลอดชีวิตเข้าใจหมถือเป็นช่วงๆบางทีหนึ่งคืนสองคืนสามคืนเช่นตามวัดต่างๆนี่วันที่เป็นวันวิสาขะวันมาฆะนี่เขาจะถือข้อนี้กันเขาจะไม่นอนกันเขาจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมกันเเาะฉะนั้นพระที่เขาถือข้อนี้เขาจะไม่นอนเขาถ้าจะถ้าจะหลับก็หลับในท่านั่ง จะนั่งสมาธิไปแล้ว ก, ก็หลับไปอย่างนี้แต่จะไม่ได้อาศัยการหลับคือพยายามที่จะไม่หลับกันถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับในท่าใดท่าหนึ่งใน3ามท่าท่านั่งท่ายืนหรือท่าเดินแต่เขาไม่ได้รักษากันไปทุกวันทุกคืนมีขอบเขตเพราะว่าร่างกายมันต้องมีการพักผ่อนหลับนอนเป็นธรรมดาที่ทํานี้อาจจะเป็นกรณีพิเศษ ปฏิบัติแล้วกำลังมันเลยไม่อยากจะหยุดไม่อยากจะพักนอนและขอไม่นอนสักคืนปฏิบัติให้มันถึงสว่างเลยเบางองค์ท่านขอนั่งขัดสมาธิตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสว่างอันนี้ท่านต้องการนั่งฝึกสมาธิฝึกต่อสู้กับทุกขเวทนาท่านเลยถือในสัจชิกข้อนี้ไป ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเรานั่งเนสัตชิกอย่างนี้แ ล, แล้วเราเผลอหลับไปจนหายหลังไปกระแทกอย่างนี้แสดงว่าสติมันหายไปหมดแล้วใช่ไหมคะทอนนอ่ามันก็หลับมันก็หมดแล้วสิ ม, มันธรรมดาร่างกายมันเหนื่อยมากๆเกิดสติก็ก็ไม่สามารถจะประทับประคองร่างกายได้ก็ต้องปล่อยมันหลับไปเพียงแต่ว่าไม่ให้หลับในท่านอนเพราะมันจะนอนยาว ให้หลับในท่านั่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่งขึ้นมาจะได้ปฏิบัติต่ตอได้ขอบพระคุณค่ะคำถามจากคุณนรงศักดิ์เวลาฝนันพระอาจารย์พอจะแนะนำอุบายให้โยมเป็นแนวทางปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้ไหมครับว่าเวลาฝันนี้ทำยังไงครับมันฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยครับก็เพราะว่าเราไม่ควบคุมความคิดเนี่ยเราไม่หยุดความคิดเวลานอนหลับมันก็คิด พอคิดมันก็เลยเป็นเรื่องฝันขึ้นมานั่นเองถ้าฝึกสมาธิได้ต่อไปจะไม่ค่อยฝันฝันจะน้อยมากคำถามจากคุณจินขอบขอความกรุณาแนะนำหลักแนวทางและอนิสง์จาคานุสติกรรมฐานครับอะไรเนะีจาคานุสติกรรมฐานค่ะอป็นยังไง เหมือนเป็นกรรมฐานด้วยเลยอ๋ อ, อคือการให้การบริจาคไงเวลาให้แล้วใจเราก็จะสงบเช่นเวลาสามีอยากจะเลิกกับเราก็ยกให้เขาไปพ อ, อปล่อยสามีไปเราก็สงบถ้าเราหวงเราไม่ยอมให้เขาไปเราก็จะทุกข์จาคาพอเรารักเราหวงอะไรมันจะทําให้ใจเราวุ่นวายวิตกกังวลห่วงใหญ่ พอเราตัดใจได้เอา้ายกให้เขาไปใครอยากจะได้เอาไปใจก็จะสงบขึ้นม า, เ, าเป็นเป็นเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งในอนุสติสิบใช่ไหมหรือให้เราคิดถึงทานที่เราบริจาคไป เ, เราบริจากอะไรไปแล้ว เ, เราคิดถึงมันมันก็ทําให้เรามีความสุขมีความสงบขึ้นมาคำถามจากคุณสสิธร แม่สวดมนต์ทุกวันขยันทำบุญมีจุดประสงค์เพื่อช่วยลูกสวดให้ลูกแต่ลูกไม่ได้ทำบุญไม่ได้สวดมนต์แต่เคยบวชแล้วอยากทราบว่าสิ่งที่แม่ทำนั้นลูกจะได้รับไหมคะไม่ได้หรอกของใครของมันคำถามจากคุณกิตตีหลวงพ่อเจ้าครับ ถ้าผมติดยาเสพติดแล้วเกิดเป็นบ้าทางจิตเวทตกอยู่ในอบายแล้วลูกช้างไม่เคยนั่งสมาธิเลยแต่ณปัจจุบันณขณะหันมานั่งสมาธิพระกรรมฐานแต่ลูกช้างนั่งได้แค่ส0สิบถึงหสิบนาทีพักเดียวก็หยุดแล้วก็กลับมานั่งใหม่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วลูกช้างอยากจะทราบว่าพระชานพระยาน ระกสิทณนี้จะพอมีผลให้ลูกช้างกลับมาหายป่วยจากอาการทางจิตเวชไหมครับแต่ลูกช้างก็กินยาตามหมอนัดประจํานะครับก็สังเกตดูเสียว่าอาการเราดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นก็แสดงว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีแต่ถ้าปฏิบัติเท่าเดิมก็จะได้เท่านี้ถ้าอยากจะได้ให้มันดีกว่านี้ก็ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเหมือนกินยา ถ้ากินยาเท่านี้หายเท่านี้อยากจะให้มันหายมากกว่านี้ก็ต้องกินยามากกว่านี้อันนี้ก็เหมือนกันการทําสมาธิก็เป็นยาอย่างหนึ่งธรรมโอสถทําให้จิตสงบแล้วการจิตเวทมันก็จะค่อยๆหายไปแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยถ้าอยากจะให้หายขาดก็ต้องทําให้มันมากคําถามจากคุณพันสวัสด กระผมเรียนถามว่าจากจิตเดิมจิตแรกเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็มีกิเลสอวิชชามาครอบงําทําให้จิตเศร้าหมองถ้าเราปฏิบัติถึงพระนิพพานกิเลสอวิชชาก็หลุดหมดไปแล้วกลับเป็นจิตที่ผ่องใสเหมือนเดิมแล้วนานๆไปกิเลสอวิชชาจะกลับเข้ามาครอบงําจิตอีกหรือเปล่าครับไม่หรอกถ้าเราปฏิบัติกรรจัดมันหมดมันก็จะไม่กลับมา คำว่าจิตเดิมนี้เป็นจิตที่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่อยู่ในสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิจิตมันจะกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมคือหยุดปรุงแต่งหยุดคิดปรุงแต่งศักแต่ว่าเราแต่จิตเดิมนี้มันมีกิเลสฝังอยู่ในใจอยู่ในจิตพอจากสมาธิมากิเลสมันก็ออกมาถ้าต้องการให้จิตบริสุทธิ์ต้องปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา แล้วก็จะกำจัดกิเลสที่ฝังอยู่ในใจมาเป็นดั่งเดิมนี้ให้มันหายไปได้พอถูกกำจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วกิเลสจะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปเห็นต้องฝังค่อยให้เข้าใจคนเราจะไปไปแปลว่าจิตเดิมเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วกิเลสมันมาครอบงา ม, มันมาจากที่ไหนหรอมันก็มาจากในจิตแหละ มันจะมาจากที่ท้องฟ้าภูเขาได้ไงกิเลสมันไม่ได้อยู่ตามท้องฟ้าท้องภูเขามันอยู่ในจิตเราเนี่ยเวลาเราทำจิตให้มันสงบมันก็หายไปชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมามันก็กลับมานี่คือจิตเดิมเป็นอย่างนี้แต่พอมารับการชำระซักพอกด้วยศีลสมาธิปัญญาไอ้กิเลสนี้ก็จะหายไปหมดถูกทำลายหมด แล้วจะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปจิตก็จะบริสุดไปตลอดจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันนี่ไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นจิตที่มีกิเลสได้หมดหรือยังมีอีกคำถามหนึ่งค่ะคถามเร็วจากคุณรุจี เวลาเจอคนร้องไห้หรือเรื่องเศร้าชอบร้องไห้และคิดตามเหมือนคนใจอ่อนง่ายควรทำอย่างไรดีคะฝึกสติถ้ามันจะร้องก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปปล่อยให้มันคิดไปฟังเรื่องที่ก็ทําให้ใจเราอ่อนพอนรู้ว่าใจเราเริ่มไหวแล้วเราก็รีบดึงกลับใช้สติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวมันก็กลับมานิ่งสงบไม่อ่อนไหวไม่เศร้าหมอง เานะ่หมดแล้วใช่ไหมคำถามก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด